อ i s m ุสซมิลลัลราะห์มานีราะทีนี้เรามาคุยกันประเด็นต่อมาอายาที่10ครับผมสายดักรู้ไมยกักษะสายดักรู้ไมยักษะเมื่อกี้ครับที่เราได้คุยกันไปแล้วนะครับในส่วนของอายาที่9เียเราบอกว่าอายาที้แปลได้2 อ, อย่างภาษาเกีรอินนาฟาติซิกรอแปลแบบแรกก็คือจงตักเตือนกันเถิดหากการตักเตือนนั้นมันยังประโยชน์ถ้าแปลในความหมายนี้ก็แปลว่าในเรื่องของการเรียงลาดับสาคัญเนี่ย ตามจริงด้วยกับอายกักขุลาศอีกหลายๆบทแล้วก็เริ่มด้วยกับมุสลิมผู้ศรัทธาต้องมาเป็นดับแรกหลังจากนั้นก็ลดหลั่นลงมาหลังจากนั้นก็ลดหลั่นลงมาถ้าแปลแบบที่2องแหละภาษาเกียรติในภาษาติสซิกก็จะแปลว่าจงตักเตือนกันเถิดเพราะแน่นอนเนี่ยการตักเตือนมันยังประโยชน์แน่นอนแปลได้ทั้งคู่แปลได้ทั้งคู่ความหมายได้ทั้งสองความหมายซึ่งไม่ว่าจะแปลอย่างไงก็ตามมันได้ประโยชน์หมดเลยเพราะถ้าเกิดเราแปลว่าตเตือนไปเถิดยังไงมันก็ยังประโยชน์ อย่างน้อยที่สุดมันก็ยังประโยชน์กับตัวเราเองถูกไหมครับเหมือนกับนี้ที่พูดอากาศในคุรานครับกลุ่มชนที่มีคนทําความชั่วแล้วก็มีคนทําความดีที่เงียบกับคนทําความดีที่ลุกมาเตือนมีสามกลุ่มในกลุ่มใหญ่นี้มีกลุ่มอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่เนี่ยทําความชั่วมีกลุ่มทำความดีกลุ่มนึงเนี่ยแต่เขาทําแค่ตัวเองเงียบๆไม่ได้พูดไม่ได้เตือนไม่ได้เตือนสติอะไรกลุ่มใหญ่ เป็นกลุ่มที่ดีเช่นเดียวกันกลุ่มที่สาเป็นกลุ่มคนที่ดีที่ลุกขึ้นมาเตือนบอกให้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดกลุ่มที่สองกับกลุ่มที่สามเนี่ยมาคุยกันคนดีที่เงียบเนี่ยมาคุยกับคนดีที่เตือนคนดีที่เงียบบอกไงครับรีมาตาไอดูนีเขามันจะไปเตือนมันทําไมเนี่ยกลุ่มชนเนี่ยถ้าเอาล็อต้องการเดี๋ยวล็อตก็ลงโทษเขาเองอะมันชั่วขนาดนี้เอาล็อตจัดการมันเลยกลุ่มคนดีที่ตักเตือนผู้อื่นเขาบอกว่ายังไงพี่น้อง กลุ่มคนดีที่ตักเตือนผู้อื่นเขาให้เหตุผลว่ามาเซีรอตันอีลารับปีกุมอย่างน้อยที่สุดมันจะได้เป็นเหตุผลต่อหน้าอาลัลลอฮ์ไงเพราะถ้าถึงเวลาถ้าพวลลอฮถามเนี่ยคนชั่วกลุ่มเนี่ยเขาไม่มีใครไปสอนเขาเลยทำไมคุณรู้ทำไมคุณไม่สอนเราจะได้บอกกับ อ, อัลลอฮ์ด้ว่าย่าอาลัลลอ์ฉันสอนแล้วแต่เขาไม่รับ เพราะงั้ถ้าแปลแบบที่สองครับจงตักเตือนก็นเถิดมันยังประโยชน์แน่นอนอย่างน้อยมันมันยังประโยชน์กับตัวเรานะคนเตือนอย่างน้อยเราได้สติแล้วเราก็มีเหตุผลไปบอกกับพวกลอสบาร์ไฮร์ตาด้วยว่าเราเตือนแล้วแล้ ว, ลวใครจะไปรู้ล่ะครับเขาอาจจะได้ประโยชน์บางครั้งเนี่ยเราอาจจะคิดว่าพูดไปมันก็ไม่มีประโยชน์บางคนก็บอกฉันพูดมาเป็น10ปีฉันไม่อยากพูดแล้วพี่แล้ใครจะไปรู้ล่ะว่าปีที่สิบเอเนี่ยเขาอาจจะได้รักหิรัญก็ได้ หรือใครจะไปรู้กลุ่มชนที่เราคิดว่าเขาไม่มีทางได้ทางนําเขาอาจจะได้ทางนําเหมือนกับท่านอุ ม, มัรครับซบาบะคิดมีใครบ้างล่ะที่จะเชื่อว่าท่านอุ ม, มัรเนี่ยจะเข้ารับอิสลามในยุคนั้นนี่แทบไม่มีใครคิดออกเลยไม่มีใครเชื่อเลยบางคนถึงขั้นบอกว่าให้สุนัขเข้ารับอิสลามมันยังจะเป็นไปได้มากกว่าขนาดนี้เลยคือเขามาว่าหัวเด็ดตินขาท่านอุ ม, มัรไม่มีทางเข้ารับอิสลามแล้วเป็นยังไงล่ะว่าให้มีลายะ จากคนที่ช่วมากๆเลยเลวร้ายมากๆากทำความผิดมากๆเพราะว่ให้เป็นคนที่ดีสุดๆอย่างถ้านดูมัดเนี่ยจากคนที่เป็นศัตรูเลยจะกฆ่าอยากจะสังหารท่านนาบีเนี่ยเขาละอิสลามเป็นคนที่ดีเช่นเดียว ก, กันกับหลายๆเคสครับที่เราบันเนี่ยมันไม่ได้จะเชื่อมันไม่ได้จะฟังผมเชื่อว่าพี่น้องหลายๆท่านน่าจะเคยเจอมาแล้วคนที่เราคิดว่าเขาไม่ได้จะได้ประโยชน์แต่ได้ประโยชน์ อางบางที่ครับลูกศิลุกหามาคุยกับผมเนี่ยอาจารย์เนี่ยช่วงที่ผมเรียนเนี่ยนะบางทีที่ผมเรียนผมก็กลับไปคุยกับคนที่บ้านนะทำนี่แล้วก็ไปคุยกับภรรยาก็คุยกันพ่อคุยกับแม่ลูกนั่งเล่นมือถือเล่นอะไรก็ไม่รู้แหละครับผมแล้วถึงเวลาพอพ่อแม่คุยกันช่วงหนึ่งลูกถามขึ้นมาพ่อทําไมมันอย่างงั้นพ่อทําไมมันอย่างนี้นมมนนคือคนเป็นพ่อแบบไม่คิดไม่ถึงว่าลูกเนจะฟัง แล้วคิดไม่ถึงว่าลูกจะเข้าใจแล้วคิดไม่ถึงว่าลูกจะได้ประโยชน์ฟาซัคเกียบอินนาฟาตินดิกรอเตือนกรเถิดมันเป็นประโยชน์แน่นอนบางคนบอกฉั้นปากเปียกปากแฉะฉั้นเหนื่อยพี่น้องดุจยาดุจแย่ดุจแย่เพราะเราบอกว่าไงยังไงมันก็ต้องเหนื่อยพี่น้องจะทิ้งกันเป็นมุสลิมพี่น้องจะไม่เหนื่อยนะมันก็ต้องเหนื่อยอยู่ดีคือเราจะเป็นมุสลิมเราก่อนเหนื่อยเราจะเป็นกาเ ฟ, ฟ่เราก็เหนื่อยเพราะมันคือดุจแยง คนเราบอกนีนเมื่อคุณถูกสร้างมาให้เหนื่อยคุณก็เหนื่อยไปเลยสิทำใจไปเลยรู้ว่ามันต้องเหนื่อยคุณก็เหนื่อยไปเลยแล้วก็เหนื่อยให้มันคุ้มไม่ใช่เหนื่อยแบบไม่คุ้มเหนื่อยแบบไม่คุ้มคือเหนื่อยแล้วมันจบให้ดุนยาโลกหน้าก็อามิเลตุนนาซีบาที่เราคุยกันไปนะครับในสโลรชิยาพี่น้องจําได้ใช่ไหมตากตามเด็ดเหนื่อยแสนเข็นในดุนยาโลกหน้าไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นอย่าเหนื่อยแบบนั้นสิเราก็ต้องเหนื่อยแบบให้ได้ประโยชน์ในไม่จะเหนื่อยเหนื่อยไปเลย พูดไปเถอดเตือนไปเถอดตักเตือนกันใช้รูปแบบที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้บางทีคนที่ได้ประโยชน์อาจจะเป็นคนที่เราเกินคิดก็ได้เกินจินตนาการก็ได้พยายามเป็นหน้าที่ของเราฮีดายะเป็นหน้าที่ของพวกลอสซุภานุวัตราเพราะนั้นครับเสยดักการุไมยักษะเสยดักการุไมยักษะผู้ที่เกรงกลัวพวกลอสุานุวตรานะเดี๋ยวเขาจะคิดออกเอง เพราะเราไม่รู้เราไม่มีทางรู้จริงๆเลยพี่น้องบางทีคนบางคนอาจจะโกนเขา่าคนบางคนอาจจะกินเหล้าคนบางคนอาจจะยุ่งเกี่ยวกับดอกเบีย้ยคนบางคนอาจจะทําซีนาคนบางคนอาจจเป็นคนชั่วคนบางคนแกล้งว่าจวิตทําความช่วอาเลสซาว่าพัดในชีวิตอาจจะเคยฆ่าคนดีซ้ำแสนรักกระรูมยักชาเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าบางทีเนะี่ยในหัวใจของเขาเนะี่ยอาจจะมีอีหมานที่มากกว่าพวกเราก็าได้ บางทีเมื่อเขาได้รับการตักเตือนเขาได้รับพิญญ า, าเขาอาจจะเป็นคนที่ดีกว่าเรามากมายมหาศาลก็ได้อย่าด่วนตัดสินคนเพราะอินนามะมานูบิลควารีมผลเนี่ยต้องไปวัดกันที่ตอนจบตอนนี้เราอาจจะเห็นบางคนเนี่ยมันช่วย น, นี่มันเลวไอ้ น, นี่มันทนีมันใส่ร้ายมันว่าร้ายมันช่วสารพัดฟังักเถีพี่น้อง เพราะถ้าเกิดในหัวใจของเขาเนี่ยยังมีเศษเสี่ยวของความยำเกรงยังมีเศษเสี่ยวของความเกรงกลัวต่อพวกลอสุบานาะหัวตายนอะไรอยู่เขาอาจจะได้ประโยชน์เขาอาจจะได้ประโยชน์แล้วเราเขาไม่รู้แล้วถ้าเราเป็นเหตุให้เขาได้ประโยชน์เนี่ยพี่น้องสุบานองเหรอมันก็จะเป็นความดีกลับมาหาเรามากมายมาหาศาลเท่าไหร่ไม่มีใครโด แล้วพวกเราเราบอกครับในการเตือนยังไงมันต้องมีคนได้ประโยชน์แล้วคนที่ได้ประโยชน์นั้นจะเป็นคนดีแน่นอนเพราะฉะนั้นทําไมเราถึงจะไม่เตือนกันถูกไหมครับพอเรากล่าวว่าไงนะอีกครั้งหนึ่งเย์เดอร์เกอรุไมยักชาผู้ที่มีความเกรงกลัวต่อลอ้นเขาจะคิดได้ใครคือคนที่มีความเกรงกลัวต่อลอพี่น้องจำได้ไหมครับว่าในเรื่องของคาว่ากลัวเกรงเนี่ยในคุรานเนี่ย มันมีเวลาของมันความกลัวเกงเนี่ยนะมีเวลาที่จะเป็นประโยชน์กับเวลาที่มันจะไม่เป็นประโยชน์หมายความว่าไงครับเวลาที่ไม่เป็นประโยชน์คือไปกลัวตอนที่มันไม่มีประโยชน์ที่จะกลัวมันโดนบังคับให้กลัวโดยอัตโนมัติโลกหน้าพลอฟบอกว่าไงครับโลกหน้าเนี่ยกลับไปสูลาโกเชียบูจูเยอมิซินคอเชียที่พลอะกล่าว ในวันนั้นหลายใบหน้าจะมีความหวาดกลัวถามว่ากลัวตอนนั้นยังประโยชน์อะไรไหมครับไม่ยังประโยชน์แล้วแดดไข่กลัวมันโดยบังคับให้กลัวยังไงมันก็ะตังกลัวแล้วมันต้องกลัวด้วยเพราะมันไม่ได้ทําอะไรเพื่ออาชีพเลยมันต้องกลัวยังไงก็ต้องกลัวเพราะเรื่องความกลัวเดี๋ยมันมีเวลาก็ามันอยู่เวลาที่เป็นประโยชน์กับเวลาที่ไม่เป็นประโยชน์ถ้าเราจะรอเราจะทําตัวแบบ สบายเป็นมุสลิมแบบหลั่นล้านะอยากจะละมาดก็ละมาดเหนื่อยขี้เกียจก็ไม่ละมาดหรืออยากอวดก็อวดอยากทําความชั่วก็ทําเดี๋ยวรอเตอบ้าทีหลังถ้าเราจะเป็นมุสลิมหลั่นลาอะไรประมาณเนี้ยถึงเวลาเราวางให้ดีโลกหน้าแนละ้วเราจะต้องกลัวแบบกลัวแบบแบบสยดสยองกลัวกว่าที่ผู้ศรัทธากลัวเพราะผู้ศรัทธาเขากลัวตั้งแต่ดุนยาแล้วพอเขากลัวแล้วตั้งแต่ดุนยาเขากลัวการลัทธิของผู้นักเสด็ดุนยาเขาทํำยังไงครับเขาก็ ละหมาดเขาจะขี้เกียจไม่ได้นะลบหน้าหน้ากลัวขี้เกียจฉันก็ต้องละหมาดเขาจะโกหกไม่ได้ฉันโกหกไม่ได้เขาจะทิ้งอามะนะไม่ได้ฉันทิ้งอามานะไม่ได้เขาจะอยู่ยังไงเขาก็จะกลัวเนตลอดเวลานี่คือคนที่กลัวในเวลาที่ควรจะกลัวคนประเภทนี้แหละครับพอเขาได้รับการเตือนบางทีเขาลืมคิดไง ผมว่าทุกคนแหละครับทุกคนเนี่ยจะเคยผ่านแม้ว่าบางทีเราไม่ทันคิดบางทีเราเจอบททดสอบอะไรสักย่างไม่ทันคิดพอมีคนเตือนปุ๊บอือใช่กลัวเนอแล้วเฮ้ยมันต้องไปทันอย่างนี้สิเราต้องไมปเป็นแบบนี้สิเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองสินี่คือเราได้รับประโยชน์เรากลัวในเวลาที่มันยังเป็นประโยชน์ให้กับเราแล้วก็พี่น้องอย่าลืมนะถ้าใคร ไม่ยอมกลัวอัลลอฮ์ตั้งแต่ดุนยาโลกหน้าจะได้กลัวเป็นทวีคูณเพราะสิ่งที่รอเขาอยู่นั้นมันจะทําให้เขากลัวโดยอัตโนมัติเพราะนั้นถ้าถามครับใครละ่ะที่จะกลัวลอัลลอฮมากที่สุดเพราะลัาษณะวิชาจนอินนามะยักษ์ชลลาห์อักมบอินนามะยักษ์ชาลลาห์มินอิบารีฮีอัลอุลามาอูดแน่นอนคนที่จะกลัวพวูว้อัลลอฮ์มากที่สุดก็ต้องเป็นคนที่รู้จากผู้อัลลอ์มากที่สุด ต้องเป็นอุลมามะผู้รู้ที่แท้จริงพี่น้องต้องเนี่ยสําคัญนะพี่น้องคําว่าผู้รู้เนี่ยใครก็พูดได้ถูกไหมครับผมอาจจะบอกกับพี่น้องว่าเนี่ยผมเป็นผู้รู้นะฉันเป็นผูร้รู้และฉันเรียนจบนั่นมาฉันเรียนจบนมิวแม่ฉันสอนมาจานวนเ ท, ท่านั้นจำนวนเทนี้ปีมีคนคารพอิสลามเ ท, ท, ท่านั้นเทนี้ใครก็พูดได้ผมก็พูดได้พี่น้องก็พูดได้อาจารย์ทุกคนในโลกนี้พูดได้หมดแต่ว่าผู้รู้จริงๆคือใคร ผู้รู้จริงๆคือใครผู้รู้ที่แท้จริงอะพี่น้องบอกไว้ก่อนผมไม่ใช่ผู้รู้ที่แท้จริงนั้นคือคนที่เขามีความรู้ที่มันยังประโยชน์กับตัวเขานี่แหละคือผู้รู้เพราะนั้นแค่มีความรู้เฉยๆเนี่ยยังไม่เรียกว่าเป็นผู้รู้แค่สอนคนเฉยๆเนี่ยยังไม่เรียกว่าเป็นผู้รู้ ต้องมีความรู้ต้องทำได้ในสิ่งที่เขารู้แล้วก็ต้องสอนผู้อื่นในสิ่งที่เขารู้แล้วก็ต้องอดทนด้วยกับสิ่งที่เขารู้อันนี้แหละที่เราจะเรียกว่าเป็นผู้รู้ที่เราจะเรียกว่าเป็นอุลมามะเพื่อนเพื่นเราบอกไงครับผู้ที่จะกลัวลอัลลอฮ์มากที่สุดคือผู้รู้ซึ่งเราจะพบว่าบางทีคนทำงานศาสนาเนี่ยอาจจะเหมือนว่ากลัวอัลลอ์แต่จริงๆเขาไม่ได้กลัวอัลล์ บางคนยังยุ่งกับเรื่องของเศษเงินเอาพูดกันตรงๆอะ่ะผมไม่ระบุอะไรทั้งสิ้นแต่ก็หมายถึงว่าพวกเศษเงินพวกเงินทองบางคนก็หาเหตุผลให้มันฮาลานสําหรับตัวเองมีไหมมีหรือบางคนเนี่ยก็ด่าคนอื่นโจมตีคนอื่นแต่ครอบครัวเองไม่เคยดูดาดูดีไม่เคยสนใจเลยบางคนเนี่ยทำผิดร้อยอย่างเห็นนะคนอื่นทําผิดหนึ่งอย่างดา่าเขาจะเป็นจะตายแต่ที่ตัวเองผิดร้อยอย่างมไม่เคยมองเห็น บางคนพูดกับกอกต่อหน้าผู้คนตอนนึงพูดอย่างหนึ่งอีกตอนนึงไปพูดอีกอย่างหนึ่งคนกับกอกในโมนาฟิกกเลบอกว่าครับอินนันโมนาฟิกีนาฟิดดาร์กิลอะสฟารีมินานนาร์ผู้กับกอกนั้นจะต้องอยู่ในนรกชั้นต่ําที่สุดแต่ก็ยังถูกเรียกว่าเป็นครูบาจารย์อยู่มีไหมในสังคมก็มีเพราะนั้นครับอินนามายักษ์ชอโลฮะมินอีบาดิฮลอัลลมมะคนที่จะเกรงกลัวต่อเราอย่างแท้จริง ต้องเป็นผู้ที่รู้จริงเพราะฉะนั้นถ้าตรงข้ามครับคนโง่จะไม่มีทางกลัวหรอนี่คือความจริงพี่น้องคือทําไมต้องกลัวหรอเพราะเขาไม่รู้จักไงคือคนเราพอไม่รู้จักปุ๊บก็ไม่รู้ทําไมต้องกลัวเหมือนกับเด็กเล็กๆกับพี่น้องเวลาเห็นไฟบางทีเขาก็ไม่รู้มันร้อนเขาไม่รู้จักเขาก็เลยไม่กลัวไฟไงแต่พอเป็นผู้ใหญ่ผู้บอกไฟร้อนขนาดนี้อันตารายนันลูกต้องเอาลูปออกมาเพราะเรารู้เราเลยกลัวเพราะแล้วคนที่ไม่รู้เขาไม่กลัวธรรมชาติครับพี่น้อง เดยทั้งคนโง่เนี่ยพี่น้องก็มีหลายประเภทอะครับคนบางคนที่ต่อจะเตือนเข้าไปเป็นร้อยร้อยปี พ, พันพันเรื่องเป็นหมือเรื่อนแสนเ ง, งเรื่อนหลังเลืองเขาก็ไม่รับแบบอบูจาฮัลแบบอบูล้ครับคนรับประทานเนี้ยกุรานมาตรงๆแล้วก็ยังคิดไม่ได้เหมือนอิบริสก็ยังคิดไม่ได้ เพราะฉะนั้นครับเราพูดได้เลยครับว่าไงครับไม่มีใครยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะเตือนไม่ได้ไม่มีเลยพี่น้องไม่มีเลยจริงจคนทุกคนเตือนได้หมดยิ่งเป็นคนที่กลัวล้อเท่าไหร่เขายิ่งได้ประโยชน์จากการเตือนเท่านั้นเขาจะไม่บอกว่าพี่น้องมันเป็นเรื่องตลกที่ขำไม่ออกนะพี่น้องมันเป็นเรื่องตลกที่ขาไม่ออกซึ่งมันเป็นธรรมชาติที่เราพบได้แทบจะทุกวงการตลกที่ขาไม่ออกคืออะไรครับ เวลาที่มีการด่าว่าใครสักคนเนี่ยคู่ที่กําลังคุยกันอยู่จะทําตัวเหมือนกับว่าเขานั้นไม่เกี่ยวหมายความว่ายังไงสมมุตินะสมมติถ้าเกิดมีครูสองคนมานั่งคุยกันเอาครูสองคนไม่ได้จอดจังว่าครูศาสนานะครูทั่วไปนะถ้ามีครูสองคนมานั่งคุยกันแล้วมานั่งด่าครูมานั่งด่าว่าไงครับเออครูปัจจุบันนี่มันขี้เกียจนะครูปัจจุบันมันอย่างนั้นนะครูปัจจุบันมันอย่างนี้นะ ทั้งๆที่คนพูดก็เป็นครูโดยอัตโนมัติก็คือสอคนนี้จะคิดว่าเขาเหนือกว่าคนอื่นนี่คือธรรมชาติที่น่ากลัวเช่นเดียวกันคนทำงานศาสนาหลายครั้งที่พอเรานินทาดาคนอื่นด่ากลุ่มอื่นที่มันไม่อยู่กลุ่มเราเนี่ยคือไม่อยู่กลุ่มเราเนี่ยไม่ใช่ส่วนหน้าสักคนหลายกลุ่มคิดแบบนี้พอเราไปด่ากลุ่มอื่นเราก็หลงยกตัวเองว่าเออฉันถูกเพราะฉันด่ามันได้ฉันเป็นคนดีเพราะฉันด่ามันได้มันชั่วฉันเคยต้องด่ามัน คนประเภทนี้มีประโยชน์ไหมถ้าไปเตือนวลอราอาร์ลัมถ้าเตือนแล้วไม่ได้ประโยชน์ก็ขอให้รู้เลยครับว่าไม่ใช่คนโงัวก็เป็นมนาพิกสองอย่างผมพูดเตือนผมก่อนเป็นคนแรกแล้วก็เตือนพี่น้องที่ผมรักถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการตักเตือนแล้วเราไม่ได้ประโยชน์จากมันพี่น้องต้องระวังตัวละเราใหญ่เกินกว่าที่จะเตือนได้เลแล้วใหญ่เกินนาบีเลถ้าไม่นบียังยังได้ประโยชน์จากการเตือน ต่อให้เราไม่ได้ทํามันเราก็จะได้ประโยชน์จากการเตือนพี่น้องต่อให้เขาบอกว่าพี่น้องระวังนะอย่านินทากันอย่าใส่ร้ายกันต่อให้เรามั่นใจว่าเราไม่ได้ทําพอมีการเตือนปุ๊บเราก็จะย้าว่าเออเราต้องระวังใช่ไหมมันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องหนักกัอลอเกียร์ได้ประโยชน์ไหมได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นอย่ารีบคิดว่าฉันเป็นคู่สนทนาเพราะฉะนั้นฉันด่าใครก็ได้ต่อให้มันเป็นเรื่องของฉันฉันก็ด่าได้ฉันไม่เกี่ยวเพราะคู่สนทนานั้นบริสุทธิ์ อันนี้เป็นความเข้าใจที่เลวซามยิ่งอย่าลืมนะท่านนบีพวกเราเตือนเองนะพวกเราบอกในกลาีมครับยาอายูฮันนบียุตตะกินและนบีเอ๋ยจงสำรวมต่ออัลลอฮ์อัลล์เตือนใครพวกเราเตือนใครพี่น้องพวกเราเตือนนบีนบีฟังไหมนบีเป็นคนแรกที่ฟังแล้วเราเป็นใครที่จะไม่รับฟังการตักเตือน เราใหญ่มาจากไหนเรารวยมาจากไหนเลยคือคนบางค น, นก็อวดร่ำอวดรวยแล้วเกิน อ, อ, อวดมั่งอวดอวดมีเสื้อผ้าทันใส่แพงแค่ไหนเนี่ยอาคารที่ฉันสรนางมันแพงแค่ไหนเนี่ยเพื่ออะไรมันได้ประโยชน์อะไรมันเป็นประโยชน์อะไรกับอุมม้มไมแล้วได้ประโยชน์จากการตักเตือนอะไรบ้างหรือเปล่าถ้าไม่ได้นะพูดตรงๆครับ ถ้าเป็นตัวผมถ้ามีใครใครเตือนแล้วผมไม่ฟังคนที่ไม่ได้ประโยชน์ก็ตัวผมเองเพราะฉะนั้นพี่น้องครับจะเป็นต่อให้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้พิพากษาเป็นใครก็าตามคนเด็กคนโตมาจากไหนครับการเตือนนั้นมีประโยชน์แล้วมันต้องมีการเตือนกันโดยเฉพาะคาว่าอิจตกรัสพี่น้องถ้าเราไปอยู่แอกวงผู้รู้นะครับ หนึ่งในวักที่เราจะได้ยินบ่อยมากเลยก็คือโจงสำรวจต่อต่อหรอมันเป็นคำครอบจักรวาลมันเป็นคำเตือนที่มันมันล้ำค่ามากๆเลยจงยมเคียงต่อลเหรอโจงสำรวมต่อต่อหรอเพราะเราก็จะคิดได้เราภาดอะไรไปมั้งอะไรที่เราต้องทำอะไรแล้วเราไม่ได้ทำเราจะได้คิดเดยอะแยะครับผมพี่น้องอย่าลืมว่าเราเนี่ยเป็นแค่มนุษย์ปุรุชนธรรมดา ใจเราเนี่ยมันก็สั่งให้ทำแต่ความชั่วรู้ไหมครับอินนัปซะและอมาตุนบิสูใจมันก็สั่งให้ตามแต่ความชั่วหลายในใจเราก็มีไชตอนอีกรอบตัวเราก็มีแต่ไชตอนมีทั้งไชตอนที่เป็นยินมีทั้งไชตอนที่เป็นมนุษย์ถามว่าแล้วใจเรามันจะรอดเหรอเรื่องธรรมชาติเลยอิหมานมีขึ้นมีลงแล้วเราจะพบางทีเราก็จะลงลงลงลงลงกราฟมีบางทีดิ่งมาอย่างเดียวเลย แทบไม่ขึ้นเลยแปลว่าอะไรเราต้องการการเตือนเราจำเป็นจะต้องได้รับการเตือนแล้วเมื่อพว้ล้อสุบฮาหนูตาบอกว่าไงครับบอกว่านบีเนี่ยผู้ล้อก็ต้องเตือนท่านนบีนะที่เหลือไม่มีใครรอดนะไม่มีใครรอดแนละ้วเพราะฉะนั้นครับ คนที่การเตือนไม่ยังประโยชน์กับเขามีแค่สามกลุ่มผู้ไปเสียศรัทธาที่ไม่มีทางได้ดีคนโง่หรือมูนาฟิกมีแค่สามกลุ่มเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รับการเตือนเลือกเลยว่าพี่น้องอยู่ในกลุ่มไหนเด็กกุาบพวกเลยครับเอรวาาไลอนดอรตาฮุมอัมลัมตุนซิรฮุมลายุมินูนพูดว่าพูดถึงผู้ไปเสียศรัทธามันมันไม่ต่างกันเลยเจ้าจะเตือนเขาหรือเจ้าจะไม่เตือนเขาพวกเขายังไงก็ไม่ศรัทธา นี่คือผู้ไปเสียสธาที่แบบว่าเป็นศัตรูอย่างชัดเจนที่เดือสุดๆแล้วเช่นเดียวกันครับกับพวกมูนาฟิกอาลากรูบิมอกินาเตนไอยับ uh คอหัวฟิอาลานมวักรรอดิสลรคาฟีครับหัวใจเขาเนี่ยมันถูกปิดถูกกั้นไว้แล้วโลกวหูของเขาเนี่ยมันก็ถูกลั่นดานพูดอะไรไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะในยุคโบราณครับที่พวกเราพูดครับมีแค่สามกลุ่มเน่ยแหละที่ไม่รับฟังการตักเตือนคนโง่ผู้ไปเสรยสธามูนาฟิกมีสามกลุ่มขอ ความคุ้มครองจากพลอซุบฮานูวะตาอัลให้เราอย่าได้เป็นหนึ่งในสมกลุ่มนี้เลยแต่ถ้าเป็นคนที่เขาจะรับฟังล่ะพี่น้องถ้าเป็นคนที่เขาจะรับฟังมิมมาอัลลอมิลาห์ฮักถ้าเกิดเราดูครับเมื่อผู้ลอซุบฮานรูะาพูดถึงกษัตริย์นาจาชีพูดถึงชาวคริสเตียนยุคสมัยท่านนบีมูฮัมมัดสุลาลฮอัลลอฮฺสัลลัม เมื่อตอนที่มีการอ่านอายะกกุลานให้เขาฟังเมื่อตอนที่มุสลิมอพย์ไปฮาบะชะแล้วเจ้าเมืองก็เรียกมาถามกษัตริย์นาจาชีถามว่ามีอะไรทําไมมากเกิดอะไรขึ้นมีคนบอกว่าคุณพูดไม่ดีกับนบีอีซาห์เนาอซอบะก็ยกอายะกกุลานที่พูดเก่กับนบีอิสาหนาบีอิสาหกับแม่ของเขาทั้งคู่ก็เป็นเพียงมนุษย์ที่ว่าต้องมีการรับประทานอาหารต้องมีการกินัวอุมูฮซิดดีกัแม่ของนบีอิสานั้นก็เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ แลสัรตมทีพได้ฟังร้องไห้ร้องไห้แล้วก็บอกว่านี่แหละคือสัตวธรรมที่มาจากพระเจ้าเห็นไครับถ้าเกิดหัวใจนะมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ต่อให้ไม่ใช่มุสลิมแต่กำเนิดเขาก็พร้อมที่จะยอมรับเขาก็พร้อมที่จะยอมรับครับผมครับวันนี้ก็น่าจะได้แก่เวลาแล้วครับทชานะ้าเนาะเดี๋ยวครั้ง ต, ต่อไปนะครับเราก็มาคุยกันต่อเรายังคงอยู่ในอายะที่ สิบนะครับผมชาวนั่นครับสยจดดักการุม ย, ยักษ์ชาก็ขอด้วยาจากพระลอสุภานหัวตาลาผู้ทรงสูงสงูงผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงเกรียงไกลผู้ทรงไม่มีพระเจ้าอันใดนอกจากพระองค์ผู้ที่ไม่มีบิดาไม่มีบุตรไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์ขอด้วยจากพระลอสุภานหัวตาลานั้นให้เราเห็นสิ่งที่ผิดว่ามันเป็นสิ่งที่ผิด ให้เราได้ออกห่างจากมันได้เราเห็นสิ่งที่ถูกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกแล้วก็ขอให้เรานั้นรับมันได้ขอให้เราอยู่ในกลุ่มชนที่รับฟังการตักเตือนถ้ามีการเตือนขอให้เราน้อมรับแล้วขอให้เรารับประโยชน์จากการตักเตือนแล้วก็ขอให้เรานั้นได้มีโอกาสตักเตือนแก่ผู้อื่นในรูปแบบที่พระองค์รักให้เขาได้เป็นบุคคลที่เอาว่ารักโดยที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยในขั้นตอนนี้ ขอด้วยจากผู้ลอสุบฮาตุลาให้กุรอานนั้นเป็นแก้วตาดวงใจของเราให้เป็นความชุ่มฉ่ำในหัวใจของเราเป็นทางนําของพวกเราขอด้วยจากผู้ลอสุบฮาตุลาให้เรานั้นอย่าเป็นผู้ที่หลงลืม สิ่งใดที่เราหลงลืมโองค์ลปรดช่วยทําให้เราคิดได้สิ่งใดที่เราไม่รู้ขอให้เรารู้สิ่งใดที่เรายังทําไม่ได้ขอให้เราทํามันได้สิ่งใดก็ตามที่เราไม่ควรทําแต่เราไปทําบันยาวล้อขอพวงยกโทษให้กับเราขอให้เรารักทิ้งมันขอให้เราได้รับแต่สิ่งที่ดีในดุนยาขอให้เราได้รับแต่สิ่งที่ดีในอาะเคียร์และก็ขอให้เรารักล้วนจากการถูกลงโทษไม่ว่าจะในดวมฝังศพหรือว่าในไฟนรกเพราะแน่นอนผู้ที่ถูกพงลงโทษนั้นไม่มีความช่วยเหลือใดๆจะมา กับประสบกับเขาได้ครับผมกอขอทักทายกับพี่น้องนะครับที่ทักทายมาพี่น้องที่สลามมานะครับคุณฟารุกครับสลามมาจากพัฒนาการวาริสลามัตุลอฮอัลาบารกาตุคุณขรดียาให้กลังใจมาขอบคุณครับคุณอัมพาสลามมาก็วารุลสามอตุลอฮอัลบาบารกาตุคุณขริยะครับสลามมาใช้ให้แล้ววาริกุลสลามอตุลลอฮวอาบารกาตุจะสักให้แล้วครับคุณสวัยนะครับสลามมานะครับจากคุคูเอ๋นครับวาริกุลสลามอัลตุลลอฮฺอัลรับ ภาคเหนืออากาศค่อนข้างเย็นนะครับถ้าท่านใดที่จะได้มาจะมาเที่ยวมาอะไรก็ระวังสุขภาพแล้วก็มีเตรียมเสื้อผ้ามาให้พร้อมด้วยนะครับผมพี่วณีสละา ม, มาว ล, ามมาลวาิกอุสธรรมอัลลอฮฺวะบาริกาตุชินเกียวกับคุณอาสาดา้ครับว ล, ลวบิกอุสธรรมอัลลอฮฺวะบาริกาตุคุณอาซียะของรัวนะครับจากเกาะกลางก็มีชัดเจนอาทำดีนะครับผมคุณรุ่งอาดุณนะครับสามวัผมวมาแล้วครับ เป็นสองร ก, กันนะแต่มาชาร์ล็อคความหมาเหมือนเดิมก็วันคุณสลามอตลลอฮฺอัลบารักกาตูทำเลาครับผมคุณรอฮานีนะครับสลามาเยาลาชัดเจนวันคุณสลามอตลลอฮ บ, บรกกาตูอาจารย์บอกเสียงแตกนิดหน่อยครับ เ, เรื่องเสียงแตกมผมก็ไม่รู้ว่าจะทําังไงดีนะครับจะพยายามหาวิธีอินชาร์ล็อครับขอบคุณท่านอาจารย์ที่ทักมาคุณอยุสเลมานสลามาวันคุณสลามอตลลอฮ บ, บรกกาตครับแล้วก็คุณสวัยนะครับซบรุลลกก็นะสักรุลล็อกวะตูบ คุริบซ์เคยมาทำดีแล้วมาคุณสมัยก็ขอบคุณมาทำดีแล้วก็ขอบคุณพวกลอสซูบานอมาตาครับที่บอเลาให้ความเมตตาก็จะจากุ้ลบอเลากัน เ, เช่นเดียวกันนะครับผมคุณอาซาดาอามีนมาครับพี่วัง น, นีแล้วก็คุณอาเซียก็อาหมีมาก็ขอพวกลอสซูบานอมาตาตอบรับการขอของพวกเราแล้วก็ตอบรับการงานที่ดีของพวกเราขออยู่ในตาช่างที่ดีงามแล้วขอเรานั้นได้กลับไปพบองคในสภาพบาต ท, ที่พงรักในเถิดอาหมีครับผม เดี๋ยวเราพักสักครู่ครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงของฟิกมุกรนอินชาอัลล์ครับอกูุกลฮะักฟิลลอฮลิวลิาุสิมีนมินุมัสักฟิูอินฮวลกฟอรมซุบฮานะลลอฮมยฮัมิกะอัฮดลลาฮิลัละัิลามครับฟะอินนติดิกระยดัารมัยยะชสลามะลุมรตุลลอฮ์วะบรกตฮับ